สีพัตตะสูตรว่าด้วยการอยู่อย่างมีความตายที่เจริญณที่นั้นแลท่านพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคําแล้วท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุสําเร็จการอยู่อย่างมีความตายที่ไม่เจริญมีกาลกิริยาที่ไม่เจริญ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 ยินดีในการนอนหลับมันประกอบความเป็นผู้ชอบการนอนหลับ 4. เป็นผู้ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่มันประกอบความเป็นผู้ชอบการคลุกคลีด้วยหมูห้เป็นผู้ชอบคลุกคลีกับเครื่อหัดยินดีในการคลุกคลีกับเครื่อหัดมันประกอบความเป็นผู้ชอบการคลุกคลีกับเครื่หัดหกเป็นผู้ชอบธรรมที่เป็นเหตุให้เนื่องช้า ยินดีในธรรมที่เป็นเหตุให้เนื่องช้ามันประกอบความเป็นผู้ชอบธรรมที่เป็นเหตุให้เนื่องช้าภิกษุสําเร็จการอยู่อย่างมีความตายที่ไม่เจริญมีกาลกิริยาที่ไม่เจริญเป็นอย่างนี้แหลภิกษุนี้เรียกว่าผู้ยินดียิ่งในส ก, กายะไม่ละสักกายะเพื่อทําที่สุดทุกข์โดยชอบผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุสําเร็จการอยู่อย่างมีความตายที่เจริญ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 3. เป็นผู้ไม่ชอบการนอนหลับไม่ยินดีในการนอนหลับไม่หมันประกอบความเป็นผู้ชอบการนอนหลับ 4. เป็นผู้ไม่ชอบการคลุกคลีด้วยหมูไม่ยินดีการคลุกคลีด้วยหมูไม่หมืนประกอบความเป็นผู้คลุกคลีด้วยหมูหเป็นผู้ไม่ชอบการคลุกคลีกับครืหัดไม่ยินดีในการคลุกคลีกับครหัดไม่หมืนประกอบความเป็นผู้ชอบการคลุกคลีกับครืหัด 6. เป็นผู้ไม่ชอบธรรมที่เป็นเหตุให้เนื่องช้าไม่ยินดีธรรมที่เป็นเหตุให้เนื่องช้าไม่มันประกอบความเป็นผู้ชอบธรรมที่เป็นเหตุให้เนื่องช้าภิกษุสําเร็จการอยู่อย่างมีความตายที่เจริญมีคาลกีริยาที่เจริญเป็นอย่างนี้แลภิกษุนี้เรียกว่าผู้ยินดีในนิพพานและสักกายะเพื่อทำที่สุดทุกขโดยชอบท่านพระสารีบุตรได้กล่าววยากนพาสิทธิ์นี้แล้ว จึงได้กล่าวคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าผู้ใดมันประกอบธรรมที่เป็นเหตุให้เนื่นช้ายินดีธรรมที่เป็นเหตุให้เนื่นช้าผู้เป็นเช่นกับเนื้อผู้นั้นไม่ได้ชมนิพพานอันเป็นแดนกเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมส่วนผู้ใดละธรรมที่เป็นเหตุให้เนื่นช้าได้แล้วยินดีในบทเคารธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้เนื่นช้า ผู้นั้นได้ชมนิพพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมพัะตกะสูตรที่4จบ 5. อนตุตปิยะสูตรว่าด้วยการอยู่อย่างมีการและกริยาที่เดือดร้อน ณที่นั้นเองท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุสําเร็จการอยู่อย่างมีกาและกริยาที่เดือดร้อนภิกษุสําเร็จการอยู่อย่างมีกาและกริยาที่เดือดร้อนเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้ชอบการงานยินดีในการงานมันประกอบความเป็นผู้ชอบการงาน 2. เป็นผู้ชอบการพูดคุยละถึง 3. เป็นผู้ชอบการนอนหลับ 4. เป็นผู้ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ 5. เป็นผู้ชอบการคลุกคลีกับเพลหาดห 6. เป็นผู้ชอบทำที่เป็นเหตุให้เนิ่นช้ายินดีทำที่เป็นเหตุให้เนิ่นช้ามันประกอบความเป็นผู้ชอบทำที่เป็นเหตุให้เนิ่นช้า ภิกษุสำเร็จการอยู่อย่างมีกาและกิริยาที่เดือดร้อนเป็นอย่างนี้แลภิกษุนี้เรียกว่าผู้ยินดีในสักกายะไม่ละสักกายะเพื่อทำที่สุดทุกโดยชอบผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุสำเร็จการอยู่อย่างมีกาและกิริยาที่ไม่เดือดร้อนภิกษุสำเร็จการอยู่อย่างมีกาและกิริยาที่ไม่เดือดร้อนเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ S 1. เป็นผู้ไม่ชอบการงานไม่ยินดีในการงานไม่มันประกอบความเป็นผู้ชอบการงาน 2. เป็นผู้ไม Clear ่ชอบการพูดคุยละถึง 3. เป็นผู้ไม่ชอบการนอนหลับ 4. เป็นผู้ไม่ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ 5. เป็นผู้ไม่ชอบการคลุกคลีกับครืหัดหเป็นผู้ไม่ชอบทำที่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าไม่ยินดีทำที่เป็นเหตุให้เนิ่นช้า ไม่มันประกอบความเป็นผู้ชอบธรรมที่เป็นเหตุให้เนื่นช้าภิกษุสำเร็จการอยู่อย่างมีกาและกริยาที่ไม่เดือดร้อนเป็นอย่างนี้แลภิกษุนี้เรียกว่าผู้ยินดีในนิพพานและส ก, กายะเพื่อทำที่สุดทุกขโดยชอบท่านพระสารีบุตรเนืองกล่าววยากร พ, พาสิทธินี้แลจึงเนืองกล่าวคถาพระพันธ์ต่อไปอีกว่าผู้ใดมันประกอบธรรมที่เป็นเหตุให้เนื่นช้า ยินดีทำที่เป็นเหตุให้เนื่นช้าผู้เป็นเช่นกับเนื้อผู้นั้นไม่ได้ชมนิพพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมส่วนผู้ใดละทำที่เป็นเหตุให้เนื่นช้าได้แล้วยินดีในบทคือทำที่ไม่เป็นเหตุให้เนื่นช้าผู้นั้น ไ, ได้ชมนิพพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอนุตตพิยสูตรที่หจบ กุลละปิตุสูตรว่าด้วยนกะุลละปิตาขะบดีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะป่าเพสกะรามิฆาไทวันนะครสูงสุ ม, มารคีระแขวนพักคะสมัยนั้นนกะุลละปิตาขะบดีมีความเจ็บไข้ได้รับทุกข์เป็นไข้หนักครั้งนั้นนกะุลละมาตาขะปตานี ได้กล่าวเตือนนคุณละปิตาขหบดีว่าขหบดีท่านอย่าได้ตายทั้งที่ยังมีความห่วงใยเลยเพราะการตายของผู้ที่ยังมีความห่วงใยเป็นทุกข์และพระผู้มีพระภาคก็ทรงติเตียนหนึ่งท่านมีความห่วงใยอย่างนี้หรือว่าเมื่อเราตายไปแล้วนะคุณละมาตาขหปตานีจะไม่สามารถเลี้ยงธารกและครองเรือนอยู่ได้ท่านไม่ควรคิดเห็นอย่างนี้ เพราะดิฉันเป็นคนฉลาดปั่นฝ้ายทำขนสัตว์เมื่อท่านตายไปแล้วดิฉันสามารถเลี้ยงดูทารกและครองเรือนอยู่ได้เพราะฉะนั้นแลท่านอย่าได้ตายทั้งที่ยังมีความห่วงใยเลยเพราะการตายของผู้ที่ยังมีความห่วงใยเป็นทุกข์และพระผู้มีพระภาคก็ทรงติเตียนสองท่านมีความห่วงใยอย่างนี้หรือว่าเมื่อเราตายไปแล้วน ก, กุลและมาตาคหะปตานี จกได้ชายอื่นเป็นสามีท่านไม่ควรคิดเห็นอย่างนี้ทั้งท่านและดิฉันย่อมรู้ว่าได้อยู่ร่วมกันประพฤติเคร่งครัดต่อระเบียบประเพณีของผู้ครองเรือนตลอดสิบหกปีเพราะฉะนั้นแลท่านอย่าได้ตายทั้งที่ยังมีความห่วงใยเลยเพราะการตายของผู้ที่ยังมีความห่วงใยเป็นทุกข์และพระผู้มีพระภาคก็ทรงติเตียนสท่านมีความห่วงใยอย่างนี้หรือว่า เมื่อเราตายไปแล้วนักกุละมาตาขาปะปตานีจกไม่ต้องการเห็นพระผู้มีพระภาคไม่ต้องการเห็นภิกษุสงฆ์ท่านไม่ควรคิดเห็นอย่างนี้เพราะดิฉันต้องการเห็นพระผู้มีพระภาคอย่างยิ่งต้องการเห็นภิกษุสงฆ์อย่างยิ่งเพราะฉะนั้นแหละท่านอย่าได้ตายทั้งที่ยังมีความห่วงใยเลยเพราะการตายของผู้ที่ยังมีความห่วงใยเป็นทุกข์และพระผู้มีพระภาคก็ทรงติเตียน สี่ท่านมีความห่วงใยอย่างนี้หรือว่าเมื่อเราตายไปแล้วนักุลละมาตาคหปตานีจกไม่ทำศีลให้บริบูรณ์ท่านไม่ควรคิดเห็นอย่างนี้เพราะสาวิกาทั้งหลายของพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นที่ยังเป็นครหัดนุ่งห่มผ้าขาวบำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์มีจำนวนเท่าใดดิฉันก็เป็นคนหนึ่งในจำนวนสาวิกาเหล่านั้น ก็ผู้ใดพึ่มีความสงสัยหรือเคลือบแคลงผู้นั้นจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้กำลังประทับอยู่ณป่าเพสกะลามิขะทายวันนครสุสุมาระคีระแควนพักะแล้วทูลถามเถิดเพราะฉะนั้นแหล่ท่านอย่าได้ตายทั้งที่ยังมีความห่วงใหญ่เลยเพราะการตายของผู้ที่ยังมีความห่วงใ่เป็นทุกข์ และพระผู้มีพระภาคก็ทรงติเตียน 5. ท่านมีความห่วงใยอย่างนี้หรือว่านักกุลละมาตาขหปะปานีจะไม่ได้ความสงบใจในภายในท่านไม่ควรคิดเห็นอย่างนี้เพราะสาวิกาทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นที่ยังเป็นครหัสนุ่งห่มผ้าขาวด้วยความสงบใจในภายในมีจำนวนเท่าใดดิฉันก็เป็นคนหนึ่งในจานวนสาวิกาเหล่านั้น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 และพระผู้มีพระภาคก็ทรงติเตียน 6. ท่านมีความห่วงใยอย่างนี้หรือว่านกุลละมาตาคหะปานียังไม่ถึงการอย่างลงยังไม่ถึงที่พึ่งยังไม่ถึงความเบาใจยังไม่ข้ามพ้นความสงสัยยังไม่ปราศจากความเคลือบแคลงยังไม่ถึงความกล้ากล้ายังไม่ปราศจากความมีผู้อื่นเป็นปัใจจัยในพระธรรมวินัยนี้อยู่ในศาสนาของพระศาสดา ท่านไม่ควรคิดเห็นอย่างนี้เพราะสาวิกาทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นที่ยังเป็นคราะห์หัดนุ่งห่มผ้าขาวถึงการอย่างลงถึงที่พึ่งถึงความเบาใจข้ามพ้นความสงสัยปราศจากความเคลือบแคลงถึงความก ล, วกล้ากล้าปราศจากความมีผู้อื่นเป็นปัจจัยในพระธรรมวินัยนี้อยู่ในศาสนาของพระศาสดามีจานวนเท่าใด ดิฉันก็เป็นคนหนึ่งในจำนวนสาวิกาเหล่านั้นก็ผู้ใดพึงมีความสงสัยหรือเคลือแแปลงผู้นั้นจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้กำลังประทับอยู่ณป่าเพสะลามิขะทายวันนครสุงสุมาระคีระแควนพักคะแล้วทูลถามเถิดเพราะฉะนั้นแหละท่าน่าได้ตายทั้งที่ยังมีความห่วงใยเลย เพราะการตายของผู้ที่ยังมีความห่วงใหญ่เป็นทุกข์และพระผู้มีพระภาคก็ทรงติเตียนครั้งนั้นเมื่อนกุลละมาตาคหปตานีกล่าวเตือนนกุละปิตาคหบดีด้วยคำเตือนนี้ความเจ็บไข้นั้นได้สงบระงับโดยพลันท่านนกุลละปิตาคหบดีได้หายจากความเจ็บไข้นั้นและนะกุลละปิตาคหบดีละความเจ็บไข้นั้นละได้โดยอาการอย่างนั้น ครั้งนั้นแหลนกกุลและปิตาขะบดีพอหายจากความเจ็บไข้เท่านั้นยังฟื้นจากไข้ไม่นานก็ถือไม้เท้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาตแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับนกุลและปิตาขะบดีดังนี้ว่าขหบดีเป็นลาภของท่านหนอท่านได้ดีแล้วหนอ ที่นกุลละมาตาคหปตานีเป็นผู้อนุเคราะห์หวังประโยชน์กล่าวตักเตือนพร่ำสอนท่านขา้าดีสาวิกาทั้งหลายของเราที่ยังเป็นครหัดนุ่งห่มผ้าขาวทำศีลให้บริบูรณ์มีจำนวนเท่าใดนกุลละมาตาคหประตานีก็เป็นคนหนึ่งในจำนวนสาวิกาเหล่านั้นขา้าพดีสาวิกาทั้งหลายของเราที่ยังเป็นครหัดนุ่งห่มผ้าขาว ได้ความสงบใจในภายในมีจํานวนเท่าใดณคุณละมาตาคหปตานีก็เป็นคนหนึ่งในจํานวนสาวิกาเหล่านั้นคหบดีสาวิกาทั้งหลายของเราที่ยังเป็นครหัดนุ่งห่มผ้าขาวถึงการยั่งลงถึงที่พึ่งถึงความเบาใจข้ามพ้นความสงสัยปราศจากความเคลือบแคลงถึงความกล้ากล้าปราศจากความมีผู้อื่นเป็นปัจจัยในธรรมวินัยนี้ อยู่ในศาสนาของศาสดามีจํานวนเท่าใดนกุลละมาตาคหปตานีก็เป็นคนหนึ่งในจํานวนสาวิกาเหล่านั้นขหบดีเป็นลาภของท่านหนอท่านได้ดีแล้วหนอที่นกุลละมาตาคหปตานีเป็นผู้อนุเคราะห์หวังประโยชน์กล่าวตักเตือนพร่ำสอนท่านนกุลละปิตุสูตรที่หจบ โซปสูตรว่าด้วยการนอนหลับสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณกะเศรษฐีเคครุงสาวัตถีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเรนในเวลาเย็นเสด็จเข้าไปยังหอฉันประทับนั่งบนพุทธาที่ปูลาดไว้แม้ท่านพระสารีบุตรก็ออกจากที่หลีกเรนในเวลาเย็น แล้วเข้าไปยังหอฉันถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรแม้ท่านพระโมคคัลลานะแม้ท่านพระมหากัสปะแม้ท่านพระมหากัจจานะแม้ท่านพระมหาโปติกะแม้ท่านพระมหาจุนทะแม้ท่านพระมหากัปปินะแม้ท่านพระอนุรุทธะแม้ท่านพระเรวตะแม้ท่านพระอานนก็ออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเย็น แล้วเข้าไปยังหอฉันถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคทรงให้ราตรีผ่านไปนานด้วยการประทับนั่งแล้วเสด็จลุกจากพุทธอาภิเเข้าไปสู่วิหารเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จหลีกไปไม่นานแม้พระเทระเหล่านั้นต่างก็ลุกจากอาสนะเข้าไปยังที่อยู่ของตนส่วนพวกภิกษุใหม่บวชไม่นาน พิ่มาสู่พระธรรมวินัยนี้ต่างเข้าไปสู่ที่อยู่ของตนนอนหลับกลนอยู่จนพระอาทิตย์ขึ้นพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นภิกษุเหล่านั้นผู้นอนหลับกลนอยู่ด้วยทิพยะจักสุอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์แล้วเสด็จเข้าไปยังหอฉันประทับนั่งบนพุทธอาที่ปูลาดไว้ได้เรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายสารีบุตรไปไหน โมคลานะไปไหนมหากัสปะไปไหนมหากัจจายนะไปไหนมหากถฏิกะไปไหนมหจุนทะไปไหนมหากปินะไปไหนอนุรุทธะไปไหนเรวตะไปไหนอานนท์ไปไหนสาวกชั้นเทระเหล่านั้นไปไหนภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จหลีกไปไม่นาน พระเทระเหล่านั้นต่างก็ลุกจากอาสนะเข้าไปยังที่อยู่ของตนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเป็นเทระหรือหนอเธอทั้งหลายเป็นภิกษุใหม่นอนหลับกรนอยู่จนพระอาทิตย์ขึ้นเธอทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรเธอทั้งหลายเคยได้เห็นหรือเคยได้ยินบ้างไหมว่ากระสตราทิราชได้รับมูรธาพิเศษแล้วทรงประกอบความสุขในการบรรทม ความสุขในการเอกคเนกความสุขในการหลับอยู่ตามพระประสงค์ครองราช จ, จนตลอดพระชนม์ชีพย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจของชาวชนบทภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่เป็นอย่างนั้นเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละภิกษุทั้งหลายข้อนั้นแม้เราก็ไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้ยินมาเลยว่า กษัตราย์ที่ราชได้รับมรราพิเศษแล้วทรงประกอบความสุขในการบันทมความสุขในการเอกเคนกความสุขในการหลับอยู่ตามพระประสงค์ครองราชจนตลอดพระชนม์ชีพย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจของชาวชนบทภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรเธอทั้งหลายเคยได้เห็นหรือเคยได้ยินมาบ้างไหมว่าท่านผู้ครองรัฐละถึง ท่านผู้เป็นทายาทของตระกูลท่านผู้เป็นเสนาบดีท่านผู้ครองหมู่บ้านท่านผู้เป็นหัวหน้าคณะประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอกขนกความสุขในการหลับอยู่ตามความประสงค์ปกครองหมู่คณะจนตลอดชีวิตย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจของหมู่คณะภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่เป็นอย่างนั้นเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดีละภิกษุทั้งหลายข้อนั้นแม้เราก็ไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้ยินมาเลยว่าท่านผู้เป็นหัวหน้าคณะประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอกเนกความสุขในการหลับอยู่ตามความประสงค์ปกครองหมู่คณะจนตลอดชีวิตย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจของหมู่คณะภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นว่ายอย่างไร เธอทั้งหลายเคยได้เห็นหรือเคยได้ยินมาบ้างหมว่าสมณะหรือพรามประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอกเนกความสุขในการหลับอยู่ตามความประสงค์ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้จักประมาณในการบริโภคไม่มันประกอบความเพียรเป็นเครื่องเตือนอยู่ไม่เห็นแจงกุศลธรรมทั้งหลายไม่มันประกอบความเพียรในการเจริญโพธิปัจจัยธรรมทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลาย แห่ราตรีแล้วทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่เป็นอย่างนั้นเลยพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละภิกษุทั้งหลายข้อนั้นแม้เราก็ไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้ยินมาเลยว่า สมณะหรือพราหมณ์ประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอกขนกความสุขในการหลับอยู่ตามความประสงค์ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้จักประมาณในการบริโภคไม่หมันประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่ไม่เห็นแจ้งกุศลธรรมทั้งหลายไม่หมันประกอบความเพียรในการเจริญโพธิปักคียธรรมทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายแห่งราตรีทําให้แจ้งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเพราะเหตุนั้นแหลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจากคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายจากเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคจากเป็นผู้มันประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่จากเป็นผู้เห็นแจ้งกุศลธรรมทั้งหลายจากเป็นผู้มันประกอบความเพียร การเจริญโพธิปักขียธรรมทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายแห่งราตรีอยู่ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลโซปสูตรที่เจ็ดจบ จะพันธสูตรว่าด้วยชาวประมงจับปลาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาเร็กไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่พระผู้มีพระภาคทรงดําเนินทางไกลได้ทอดพระเนตรเห็นชาวประมงจับปลาฆ่าแล้วขายอยู่ในท้องถิ่นแห่งหนึ่งได้เสด็จแวะริมทางประทับนั่งบนพุทธอาอัตที่ปูลาดไว้ที่โคนไม้แห่งหนึ่ง แล้วได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นชาวประมงโน้นผู้จับปลาฆ่าแล้วขายอยู่หรือไม่ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าเห็นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรเธอทั้งหลายเคยได้เห็นหรือเคยได้ยินมาบ้างไหมว่าชาวประมงจับปลาฆ่าแล้วขายอยู่ ได้เป็นผู้ขี่ช้างขีม่ม้าขี่รถขี่ยานเป็นเจ้าของพวกทรพซ์หรือครอบครองกองโภกทระซัเป็นอันมากเพราะกรรมนั้นเพราะอาชีพนั้นภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่เป็นอย่างนั้นเลยพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละภิกษุทั้งหลายข้อนั้นแม้เราก็ไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้ยินมาเลยว่าชาวประมงจับปลาฆ่าแล้วขายอยู่ ได้เป็นผู้ขี่ช้างขี่มา้าขี่รถขี่ยานเป็นเจ้าของโพกซัพย์หรือครอบครองกองโพกซัพย์เป็นอันมากเพราะกรรมนั้นเพราะอาชีพนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขาเพ่งดูปลาเหล่านั้นที่เขาพึงฆ่าที่พึงนํามาเพื่อฆ่าด้วยใจที่เป็นบาปฉะนั้นเขาจึงไม่ได้ขี่ช้างไม่ได้ขี่มา้าไม่ได้ขี่รถไม่ได้ขี่ยานไม่ได้เป็นเจ้าของโพกซัพย์ ไม่ได้ครอบครองกองพกกรัพย์เป็นอันมากภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรเธอทั้งหลายเคยได้เห็นหรือเคยได้ยินมาบ้างไหมว่าคนฆ่าโคฆ่าโคแล้วขายอยู่ได้เป็นผู้ขี่ช้างขี่มา้าขี่รถขี่ยานเป็นเจ้าของพกกรัพย์หรือครอบครองกองพกกรัพั์เป็นอันมากเพราะกรรมนั้นเพราะอาชีพนั้นภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ไม่เป็นอย่างนั้นเลยพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละภิกษุทั้งหลายข้อนั้นแม้เราก็ไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้ยินมาเลยว่าคนฆ่าโคฆ่าแล้วขายอยู่ได้เป็นผู้ขี่ช้างขี่มา้าขี่รถขี่ยานเป็นเจ้าของพภกทัพท์หรือครอบครองกองพวกท้ัพท์เป็นอันมากเพราะกรรมนั้นเพราะอาชีพนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไร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 คนฆ่าสุกรพรานนกพรานเนื้อฆ่าเนื้อแล้วขายอยู่ได้เป็นผู้ขี่ช้างขี่มา้าขี่รถขี่ยานเป็นเจ้าของพภกทศัพย์หรือครอบครองกองพกทศัพย์เป็นอันมากเพราะกรรมนั้นเพราะอาชีพนั้นภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่เป็นอย่างนั้นเลยพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละภิกษุทั้งหลาย ข้อนั้นแม้เราก็ไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้ยินมาเลยว่าพรานเนื้อฆ่าเนื้อแล้วขายอยู่ได้เป็นผู้ขี่ช้างขี่มา้าขี่รถขี่ยานเป็นเจ้าของพวกทระพัหรือครอบครองกองพวกกระพัเป็นอันมากเพราะกรรมนั้นเพราะอาชีพ n ั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขาเพ่งดูเนื้อที่เขาพึงฆ่าที่นามาเพื่อฆ่าด้วยใจที่เป็นบาป ฉะนั้นเขาจึงไม่ได้ขี่ช้างไม่ได้ขี่มา้าไม่ได้ขี่รถไม่ได้ขี่ยานไม่ได้เป็นเจ้าของโกพกซั์ไม่ได้ครอบครองกองโกพกซั์เป็นอันมากภิกษุทั้งหลายเพราะเพ่งดูสัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นที่เขาพึงฆ่าที่พึงนำเพื่อฆ่าด้วยใจที่เป็นบาปฉะนั้นเขาขจึงไม่ได้ขี่ช้างไม่ได้ขี่ม้าไม่ได้ขี่รถไม่ได้ขี่ยานไม่ได้เป็นเจ้าของโพกซั์ ไม่ได้ครอบครองกองพกทรพซ์เป็นอันมากไม่จำเป็นต้องพูดถึงผู้เพ่งดูมนุษย์ที่เขาพึงฆ่าที่พึงนำมาเพื่อฆ่าด้วยใจที่เป็นบาปเพราะผลของกรรมนั้นย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แกเขาตลอดกาลนานหลังจากตายแล้วเขาจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกมัชฌาพันธสูตรที่8จบ เก้าปรถมมรณสติสูตรว่าด้วยการเจริญมรณสติสูตรที่หนึ่งสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณคินจา ก, กาวสถารามในนาทิกาคามณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับเสียงเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายโมรณัสติที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสง ม, มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายยังเจริญโมรณสติอยู่หรือไม่เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้แล้วภิษุรูปหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็ยังเจริญมรณสติอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุเธอเจริญมรณสติอย่างไรภิกษุกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอหนอเราพึงเป็นอยู่ได้ตลอดคืนหนึ่งและวันหนึ่งเราพึงมานัสการถึงคาสอนของพระผู้มีพระภาค เราพึงทำกิจให้มากเนาะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จเจริญมรณสติอย่างนี้ภิกษุอีกรูปหนึ่งกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็ยังเจริญมรณสติอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุเธอจเจริญมรณสติอย่างไรภิกษุกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์คิดอย่างนี้ว่าโอ๋เนอเราพึงเป็นอยู่ได้ตลอดวันหนึ่งเราพึงมนุษการถึงคําสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้ภิกษุอีกรูปหนึ่งกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็ยังเจริญมรณสติอยู่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 ข้าพระองค์จเจริญมรณสติอย่างนี้ภิกษุอีกรูปหนึ่งกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญแม้ข้าพระองค์ก็ยังจเจริญ ม, มรณสติอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุเธอเจริญ ม, มรณสติอย่างไรภิกษุกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ๋นอ เราพึงเป็นอยู่เพียงชั่วขณะเคี้ยวกินคําข้าวสถึงหําเราพึงมนต์ศึกษ์ถึงคําสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทํากิจให้มากหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้ภิกษุอีกรูปหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็ยังเจริญมรณสติอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ภิกษุเธอจเจริญมรณสติอย่างไรภิกษุกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะเคี้ยวกินคำข้าวหนึ่งคำเราพึงมานาสิการถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จเจริญมรณสติอย่างนี้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 เราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะลมหายใจเข้าหายใจออกหรือหายใจออกหายใจเข้าเราพึงมานาจการคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากเนาะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เจริญมรณาสติอย่างนี้เมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปใดเจริญมรณสติว่าโอ๋เนอเราพึงเป็นอยู่ได้ตลอดคืนหนึ่งและวันหนึ่งเราพึงมนุษการถึงคําสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทํากิจให้มากหนอภ<ต satur ate>ิกษุรูปใดเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอ๋เนาเราพึงเป็นอยู่ได้ตลอดวันหนึ่งเราพึงมนุษการถึงคําสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทํากิจให้มากหนอ ภิกษุรูปใดเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะฉันบินทบาทมือหนึ่งเราพึงมรณาสการถึงคําสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทํากิดให้มากหนอ <ST ART> ภิกษุรูปใดเจริญมรณสติอย่างนี้ว่า <ST ART> โอ๋หนอเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะเคี้ยวกินคําข้าว 4- ี่ถึงห้าเราพึงมรณาสการคําสอนของพระผู้มีพระภาค เราพึงทำกิจให้มากหนาเรากล่าวว่าภิกษุเหล่านี้ยังเป็นผู้ประมาทอยู่ยังเจริญมรณสติอย่างเพลีเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายส่วนภิกษุรูปใดเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอ๋หนาเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะเคี้ยวกินคำข้าวหนึ่งคำเราพึงมรณาสการถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอ และภิกษุรูปใดเจริมมรณัสติอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะลมหายใจเข้าหายใจออกหรือหายใจออกหายใจเข้าเราพึงมานัสการถึงคําสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทํากิจให้มากหนอภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าภิกษุเหล่านี้เป็นผู้ไม่ประมาทอยู่เจริมมรณัสติอย่างแรงกล้า เพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่จักเจริมมรณสติอย่างแรงกล้าเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แหละเพะถมมรณสติสู่ที่ก้าจบ